ปัญญาเนี่ยทำไว้แล้วทรัพย์สมบัติของเราก็ไม่ต้องไปห่วงแหมเดี๋ยวมีเงินในธนาคารแล้วจะเบิกได้ไม่เนี่ยฉันตายไปใครจะมารับต่อที่ดินรถยนต์อะไรอย่างเนี้ยไม่ต้องกลัวหรอกคนโลภมันมีเยอะนะมันมาแย่งกันรับเองอะ่ะไม่ต้องกลัวถ้าไม่เกิดแหมไม่มีใครรับเลยเข้าเป็นของหลวงไม่ต้องกลัวอีกนะรัฐบาลเขายังมีอยู่ เขาก็ต้องรับไปจนได้นั่นแหละก็สําคัญว่าไอที่เรามีสมบัติแล้วเราเอาตามไปได้นั้นมีเท่าไหร่ที่จะตามเราไปได้เนี่ยทานเรามีเท่าไหร่เท่ากับไอ้ที่มันทิ้งไว้ไหมสมมติว่าเราทิ้งไว้ห้าล้านเนี่ยได้ให้ทานไปทั้งห้าล้านไปหรือเปล่าสมบัติของเราวศีนมีสักกี่กี่ข้อที่จะเอาไปเนี่ยศีลนี่ไม่ต้องลงทุนอะไรเสียทรัพย์เสียอะไรเนี่ยลงทุนใช้ ศรัทธาหีริโอตาปะให้มากๆกก็จะได้ศีลไปเราจะเอาไปสักกี่ข้อท่านไม่ห้ามนะชาวศีลไปสักแสนโกดข้อก็ได้หรือว่าศรัทธาเราจะเอาไปสักเท่าไหร่อ่ะทไปเถอะเพราะนั้นเราต้องคิดให้เป็นอย่าไปคิดตามคนโง่ทั้งหลายเนี่ยมารดาบิดาของท่านปิพริมานพก็คิดแบบคนทั้งหลายกลัววงจะศูนย์แต่มันก็น่ากลัวเหมือนกันเพราะมีทั้ง80ดสิบโกด มีมีทรัพย์สมบัติ80โกดเพราะฉะนั้นก็เลยถามลูกว่าเมื่อไรเราจะแต่งงานมานพบปิดภริก็กล่าวว่าท่านทั้งสองอย่าได้กล่าวถ้อยคาอย่างนี้เข้าหูลูกเลยลูกจะปฏิบัติตราบเท่าท่านทั้งสองยังมีชีวิตอยู่ต่อเมื่อท่านทั้งสองล่วงลับไปแล้วลูกจกบวชคืออัธยาใสายบวชเนียมีมาตั้งแต่เด็กๆแล้วของปิดภริมานพ อันนี้ไม่ใช่่าอยู่ีดีก็มีง่ายนะต้อง ส, สมมาหลายชาติไม่ใช่ชาติเดียวด้วยอาจจะหลายร้อยชาติบิดามารดาก็ให้เวลาล่วงเลยไปสักสองสาวันก็บอกอีกอะ่ะถามอีกอะ่ะเมื่อไหร่จะแต่งงานสักทีวงสกุลเราจะได้สืบต่อกันไปได้มานพนั้นก็ปฏิเสธเหมือนเดิมนั่นแหละวงวงพรามนะเป็นสกุลพรามเขาก็ห่วงเขาลนะ ตั้งแต่นั้นมารดาก็ได้กล่าวถึงการแต่งงานอยู่เรื่อยๆทีเดียวโดยเฉพาะมารดาเนี่ยจริงๆแล้วไปให้ลูกเขาแต่งงานเนี่ยบางทีมันหาทุกขใส่ตัวเองนะไม่ใช่อะไรออกมาทะเลาะกับลูกสภพายทีหลังหรือว่าต้องมาเลี้ยงหลานเงินเบื่อไปเลยก็คิดแต่ด้านดีอย่างเดียวมันก็มันก็เลยไม่คิดด้านเสียไม่คิดด้านทุกข์ ก็จะให้ลูกแต่งงานมานบคือปิดภริคิดว่าเราจะยังมารดาให้เลิกสักทีแล้วให้ยินยอมพร้อมใจด้วยจึงได้ให้ช่างเขาเอาทองคำสีสุกปลั่งหนึ่งพันลิ่มให้ช่างทองคำหล่อเป็นรูปหญิงคนหนึ่งในเวลาเสร็จงานมีการขัดและการบุบบุบนี่แ่ไงบุบมันเขาเรียกบุบนะ คือทำให้สวยอะ่ะทำให้เป็นรูปทองคำของหญิงจึงให้รูปหญิงนั้นนุ่งผ้าแดงประดับด้วยดอกไม้อันสมบูรณ์ด้วยสีและด้วยเครื่องประดับต่างๆทำให้เหมือนผู้หญิงจริงๆกนะันนะแตงงามจักรวาลอะไรอย่างนั้นะ่ะแต่ว่าต้องเป็นทองคำนะจึงให้เรียกมารดามาพูดว่าคุณแม่เมื่อลูกได้อารมณ์อย่างนี้จึงจะแต่งงานถ้าไม่ได้จกไม่แต่ง คือถ้าได้ผู้หญิงสวยอย่างนี้จึงจะแต่งถ้าไม่ได้อย่างนี้แล้วไม่แต่งจะได้เลิกพูดกันซสทีทีไม่งั้นก็มาผู้บอกเชา้าบอกเย็นว่าเมื่อไรจะแต่งเมื่อไรจะแต่งก็เลยหาเจ้าสาวมาซะเลยแต่อาตมาไม่มีทองพันริมนะก็เลยไม่รู้ว่าจะสวยขนาดไหนแต่คงจะต้องสวยนะ่ะนางพรามณีเป็นคนมีปัญญาอ้าวไปเจอแม่มีปัญญากันมาอีกแล้ว ก็คิดว่าบุตรของเราเป็นผู้มีบุญให้ทานไว้แล้วสร้างอภินิหารอภินิหารเนี่ยคือกรรมอันยิ่งใหญ่นะไว้แล้วคือทำในพระพุทธเจ้าไว้แล้วเนี่ยเมื่อจะกระทำบุญคงจะไม่ทำคนเดียวเนี่ยนี่ที่เราเชื่อกันว่าทำบุญแล้วต้องร่วมกันทำจะได้ไปเจอกันอีก หญิงที่ทำบุญร่วมกับบุญของเรานั้นคงต้องมีแล้วก็ต้องเหมือนกับนางที่ทำด้วยทองคำนี้แน่แท้เออก็แม่ก็กาจะหลาดเหมือนกันนะบอเออลูกเราเนี่มีบุญคงไม่ทำบุญคนเดียวอะคงจะมีคนมีบุญมาทำเหมือนกันแหละจึงให้เรียกพรามแปดคนมาแล้วเลี้ยงดูให้อิ่มหนำด้วยสิ่งที่ต้องการทุกอย่างให้ยกรูปทองคำขึ้นตั้งบนรถแล้วสั่งว่า พ่อทั้งหลายจงพากันไปพบเห็นภาริกานางเด็กธิดาที่มีรูปงามดังนี้ในตระกูลที่เสมอ ก, กันกับเราโดยชาติโดย โ, โคตโดยโภกขทรัพย์เอาสามอย่างนะชาติชาติพราหมณ์โคตรอะไรอ่าต้องโคตต้องเท่าๆกันแล้วก็พวกขทรัพย์ก็ต้องเท่ากันในที่ใดแล้วจงให้รูปทองนี้แหละ เป็นเครื่องบรรณาการคือเป็นของมั่นในที่นั้นเถิดไปหามาให้ได้พรามเหล่านั้นก็พากันออกไปด้วยคิดว่านี้เป็นกิจกรรมของเราแล้วเป็นงานของเราแล้วคิดกันว่าไปที่ไหนพรามก็ต้องมีปัญญาเหมือนกัน ไ, ไปในป่าเนี่ยท่าจะไม่เจอหรอกนะต้องไปที่ที่คนมีบุญเขาอยู่นะตกลงกันว่าธรรมดามัทรัส เป็นบ่อกเกิดแห่งสตรีเดี๋ยวนี้มันจะมัดเมือนมารัดอะไรไม่แน่ใจมัทธะนะมัทธรัฐรัตนี้ชื่อเสียงปรากฏเลยว่าสตรีสวยเกิดที่นี่เหมือนกับที่เราบอกกันว่าอะไรอ่ะเมืองนี้จังหวัดนี้เนะี่ยมีผู้หญิงสวยอยู่เยอะอาลาพูนคนงามลาพูนก็ว่าอย่างนั้นนะนะคนทางเหนือมีคนสวยๆเยอะอย่างเงี้ยต้องไปหาที่นู่น เพราะนั้นพวกเราจาักไปมัทรัฐดังนี้แล้วก็ไปยังเมืองสาคระนครในมัทรัฐซึ่งนางพัฒกาปิลาณีอยู่ที่นั่นซะจริงจริงด้วยครั้งนั้นแม่นมของนางพั ธ, ธาให้นางพั ธ, ธาอาบน้ำแล้วแต่งตัวให้นั่งในห้องอันโออาแล้วตัวแม่นมเองก็จะไปอาบน้ำคือคนรวยเนี่ยเาก็จะมีคนเลี้ยงดูอย่างดี แม่นมคนนี้ก็จะไปอาบน้ำก็ไปเห็นรูปที่ทำด้วยทองคานั้นอยู่ที่ท่าน้ำเพราะว่าพราหมณ์ก็ฉลาดคนอินเดียก็จะไปกันที่ท่าน้ำซึ่งจะได้เห็นละหญิงสาวสวยไม่สวยเนี่ยก็เอารูปของทองคำนั้นแอบไปตั้งแหวนพอแม่นมมาเห็นเข้าตกใจอ้าวก็ตะกี้เราให้อยู่ในบ้านที่ทำไมถึงมาเดินอยู่ที่นี่ละ่ะพูดว่า เออทิดาแห่งแม่เจ้าของเรามาที่นี่อย่างไรเป็นนึกว่าเป็นลูกเป็นเป็นนางพัฒกาปิลาดีกล่าวว่านี่แม่เด็กหัวดือ้อมาที่นี่ทําไมบอกให้อยู่บ้านแล้วยังมานี่อีกแต่คงจะเพ้อเพ้อเหมือนกันนะนะคือคือเห็นยืนนิ่งๆอยู่นะก็เลยเอามือฝ่ามือตีที่ข้างแก้มพร้อมกับพูดว่ากลับไปมือก็ ตีไปบนทองคำนะี่ก็เหมือนตีหินแม่นมนั้นก็รู้ว่าเป็นของแข็งด้วยอาการอย่างนี้เอ อ, เ, อ, อเราโง่ไปแล้วนะไม่ใช่คนนี่มันเป็นทองคาจริงเลี่ยงไปพูดว่าเราเห็นรูปทองเข้าก็เกิดความเข้าใจผิดว่าเป็นที่ดาแห่งแม่เจ้าของเราก็นางนี้แม้จะเป็นผู้รับผ้าหนุ่งของที่ดาแห่งแม่เจ้าของเราก็ยังไม่เหมาะสมว่าอย่างนั้นซะอีกว่า ไอเนี่ยเนี่ยรูปของทิดาทองคำเนี่ยจริงๆนะ่เป็นเพียงคนรับใช้ก็ยังไม่เท่าเลยนี่เป็นอย่างนั้นไปยังสวยไม่เท่าว่ า, วากันง่ายๆทีนั้นพวกพราหมณ์ก็พากันห้อมล้อมนางแล้วถามว่าทิดาแห่งเจ้านายของท่านชื่อรูปร่างอย่างนี้หรือแม่นมบอกว่านางอย่างนี้นะหรือทิดาแม่เจ้าของเราเนี่ยงามกว่าร้อยเท่าพันเท่า เมื่อเธอนั่งอยู่ในห้องประมาณสิบสองศอกกิจการทำจุดดวงไฟไม่มีไม่ต้องไปไม่ต้องไปจุดลอ้อมรอบเลยนะโดยโดยรอบสิบสองศอกเนี่ยสี่ศอกเป็นหนึ่งวาก็สามวาแสงสว่างจากตัวของเธอเนี่ยขจัดความมืดได้โดยรอบทีเดียวคือผิวเนี่ยเปล่งปลั่งสวยมากอะ เหมือนกับมีแสงออกไปกับจัดความมืดได้ตั้งสิบสองอไม่ต้องจุดไฟเรียกว่าไม่หลงเห็นที่ไหนก็เจอกันแล้วก็รู้ได้ว่าอยู่ตรงนั้นวางตรงไหนแล้วไม่หลงนะเพราะมีแสงออกมาจากตัวด้วยบุญของนางนะผิวพรรณสวยพวกพรามแปดคนก็กล่าวว่าถ้าอย่างนั้นจงมากันเถิดแล้วถือเครื่องบูชายกรูปทองคำขึ้นบนรถไปที่บ้านของพรามโกศิยโคดซึ่งเป็นบิดาของ นางพัทธากาปิลาณีแล้วแจ้งให้ทราบถึงการมาว่ามาเนี่ยเพื่อจะมาพบลูกสาวโกสิยพรามปฏิสัถ t าแล้วถามว่าพวกท่านมาจากไหนบอกว่ามาจากบ้านของกบิลพามในมหาติถคามในมคธรัฐเข้าใจว่าเป็นเมืองนารัธานะน่าจะเป็นอย่างนั้นแนะแต่สมัยนั้นเขาเรียกมหาติถะคาม พราหมณ์ถามว่ามาด้วยเหตุไรชนเหล่านั้นก็บอกว่ามาเพราะว่าต้องการจะมามั่นลูกสาวพราหมณ์ผู้เป็นพอ่อของนางพัฒกาก็บอกว่างามละพอ่อทั้งหลายพราหมณ์ของพวกเรามีชาติมีโคตรมีทรัพย์สมบัติเสมอกันเล่าจากให้ลูกสาวแก่ท่านแล้วก็ยกลูกสาวให้ขอภผยรับเครื่องบรรณาการคือรับลูกทองคํานั้น พวกพรามก็ส่งข่าวแก่กบิลพามว่าได้หญิงที่ดาสมใจแล้วท่านจงทาสิ่งที่ควรทำเถิดกบิลพามจึงบอกแกป่ปิีพริมานกว่าได้สาวงามที่ลูกประสงค์แล้วปิีพริมานกคิดว่าเราเนี่ยตั้งใจว่าจะไม่ได้นะอุสาทำแล้วนะอุตสาทำ เรื่องที่จะไม่ให้ได้แต่คนเหล่านี้พูดว่าได้แล้วเราไม่มีความต้องการที่จะแต่งงานจึงส่งหนังสือไปให้รู้เราจะส่งหนังสือไปให้รู้แล้วก็ไปเขียนหนังสือว่าแม่พัฒธาจงได้ครูครองเลือนอันสมควรแก่ชาติแก่โคดและทรัพสมบัติของตนเถิดเราจะออกบวชจะได้ไม่เดือดร้อนในภายหลังคือว่าอย่างั้นแต่งเลยเพราะว่าฉันจะบวช เธอมาแต่งแล้วเนี่ยเธอก็จะต้องเป็นหญิงไม้เสียใจเปล่าๆ เ, เพราะนั้นหาคู่ครองที่ดีคนอื่นเธอเขียนเองส่วนนางพัฒนาเล่าได้ฟังว่าพ่อแม่ยกให้เราแก่บุรุษที่นั้นที่นี้ก็ไม่อยากได้สามีเหมือนกันก็ไปในที่รับแล้วเขียนหนังสือว่าพ่อเจ้ามา ในนี้ว่าลูกเจ้าก็าคือเขียนถึงมานบปิดภรินี่เองว่าจงได้คู่ครองเรือนอันสมควรแก่ชาติแก่โครและทรัพสมบัติของตนเราจากออกบวชจะได้ไม่เดือดร้อนในภายหลังเขียนเหมือนกันเป๊ะเลยนะคือใจตรงกันนะทำบุญไว้เหมือนกันเลยเขียนหนังสือก็เลยเหมือนกันอีกนะกลัวว่าเดี๋ยวจะเป็นพ่อแม่จะต้องมาเสียใจทีหลัง หนังสือทั้งสองฉบับมาพบกันระหว่างทางคือให้คนรับใช้นํามาชนเหล่านั้นมาเจอกันเข้าฝ่ายคนใช้ของนางพัฒนาถามว่านี่หนังสือใครก็บอกว่านี่หนังสือปิดพริมานกส่งให้นางพัฒนาฝ่ายคนใช้ปิดพริมานกก็ถามคนใช้นางพัฒนาว่าเอานี่หนังสือใครก็บอกว่านางพัฒนาส่งให้ปิดพริ อ่านกันช่วยกันเปิดทั้งคู่เลยนะเขียนกันว่ายังไงต่างคนต่างเปิดปรากฏว่าข้อความเหมือนกันคือปฏิเสธยกเลิกการแต่งงานไอ้คนใช้นั่นดันรูด้ดีบอกว่าโอ้ยนี่มันเด็กๆทํานี่เนี่ยเด็กทําไม่ได้เรื่องไม่ได้เล่วหรอกไม่รู้เรื่องอะไรความจริงก็ไม่เด็กแล้วอายุยี่สิบแล้วนะยี่สิบกับสิบหกเลยฉีกทิ้งไปในป่ากทิ้งจดหมายไปเลยอันนี้เป็นเรื่องไม่ดูเรื่องกัน แล้วเขียนหนังสือใหม่มีข้อความใหม่ว่ายินดีที่จะแต่งงานด้วยกันทั้งคู่นะเรามีชาติมีโคตรมีทรัพสมบัติเสมอกันเมื่อเป็นเช่นนี้ทั้งสองฝ่ายไม่ได้ปรารถนาจึงต้องมาแต่งงานกันในวันแต่งงานแล้วทำยังไงในวันนั้นแลแม่มานพก็เอาพวงดอกไม้พวงหนึ่งวางไว้ กลางที่นอนนางพัฒกาปิลานีก็เอาพวงดอกไม้พวงหนึ่งวางไว้แม่คนทั้งสองบริโภคอาหารเย็นแล้ววางพวงดอกไม้เหล่านั้นไว้กลางที่นอนมาพร้อมกันด้วยหวังใจว่าจักขึ้นที่นอนมานบขึ้นที่นอนทางด้านขวานางพัทาขึ้นที่นอนทางด้านซ้ายแล้วกล่าวว่า ดอกไม้ในด้านของคนใดเหี่ยวพวกเราจักรลู้ได้ว่าราคะจิตเกิดขึ้นแล้วแก่ผู้นั้นเพราะเหตุที่ดอกไม้เหี่ยวพวงดอกไม้นี้เราจึงไม่แตะต้องคือใจตรงกันอีก ว, ว่าเราไม่ได้มีราคะซึ่งกันและกันเพราะนั้นจะอาศัยดอกไม้เนี่ยเป็นเครื่องแสดงถ้าใครมีราคาดอกไม้ของคนนั้นต้องเหี่ยว ต้องเหี่ยวลงไปถ้าไม่มีก็ให้สดชื่นสมบูรณ์เหมือนเดิมอธิษฐานไว้อย่างนั้นนะก็คนทั้งสองนั้นนอนไม่หลับตลอดราตรีทั้งสามยามทั้งสามยามคือยามเนี่ยแบ่งออกเป็นตอนกลางคืน ส, สักสี่ใช่ไหมตอนกลางวันอีกสี่ยามด่นก็สี่ชั่วโมงอย่างเนี้ย เพราะว่าอะไรนอนไม่หลับเพราะกลัวจะถูกตัวของกันและกันกลัวว่าเดี๋ยวดอกไมจ้จะเหี่ยวนะกลัวว่าจะถูกตัวกันและกันจนราตรีล่วงไปหมดเวลากลางคืนไปพอในตอนกลางวันก็ไม่มีแม้สักว่าการยิ้มให้แก่กันออคนแต่งงานกันนะไม่ยิ้มให้แก่กันทำไมเป็นอย่างนั้นเพราะว่าเขาระวังใจเขานะ ไม่ให้มีความกำหนัดยินดีก็อุตส่าห์เขียนจดหมายไปแล้วบอกแล้วว่าให้ไปแต่งกับคนอื่นแต่เมื่อมาอยู่ด้วยกันเขาก็ไม่ถือเป็นสามีภรรยากันคนทั้งสองนั้นไม่เกี่ยวข้องกันในเรื่องโลกามิตรคือในเรื่องราคะนี่แหละเรื่องการมาคุณนี่แหละแล้วก็ไม่จัดการทรัพย์สมบัติไม่ยุ่งเลยไม่บริหารทรัพสมบัติตราบเท่าที่บิดามารดายังมีชีวิตอยู่ เมื่อบิดามารดาตายแล้วจึงต้องต้องจัดการน่าจำเป็นแล้วปิพริมาโนบมีสมบัติคิดเป็นเงินได้แปดสิบเจ็ดโกดก็คงไม่มากเท่าไห ร, นะร่นะแปดสิบเจ็ดโกดเท่าไหรนะ่ละแปดร้อยเจ็ดสิบล้านนิดๆหน่อยๆเดี๋ยวนี้คนมีเงินมากเนี่ยแต่มันมีมากําสละหรือเปล่าไอ้ตรงเนี้มันสำคัญตรงนั้นนะไปเที่ยวไปบอกว่าผมมีเงินพันล้านนะคุณสละกี่ล้าน ไม่เห็นมีสละอะไรเลยคิดอยากจะได้เป็นส0 0พันล้านห0 0พันล้านเพิ่มไปซะอีกคุณไม่ต้องมาอวดกิเลส ข, ของคุณหรอกนะเฉพาะผงทองคำที่ใช้ขัดสีสลีละแล้วทิ้งไปวันหนึ่งวันหนึ่งก็ควรได้ประมาณสิบสองนานโดยทนานแข็งแคว้นมาคดคือเราไม่ต้องทำอะไรนะเราไปอยู่ใกล้ๆที่เขาอาบน้าให้ปิดพริมาณนบเข้าทองคำเนี่ยมาสีตัวมาขัดตัวผง เดี๋ยวเราก็ไปล่อนเอาทองคำนะไปขายได้เพราะเขาใช้ดังสิบสองทนานนะนะเป็นเป็นเรื่องความรวยของเขาสมัยนี้มีใครทำอย่างนี้บ้างทองมันยิ่งแพงๆอยู่ด้วยนะมีเหมืองน้ำเหมืองน้ำนี่ก็คือไอ้ลำคลองส่งน้ำที่ไปทำการเกษตรประมาณหกสิบแห่งติดเครื่องยนต์ที่จะทำให้น้ำไหล ขึ้นมา ท, ที่ท้องนาเนี่ยมีการทำท้องนากินเนื้อที่ประมาณสิบสองโยดสิบสองโยดนี่มันเท่าไหร่สิบสองโยดนี่มันเอาสิบหกไปคูณอ่ะโอ้เป็นร้อยกิโลร้อยกิโลเมตรที่กว้างขวางมีหมู่บ้านธาตุถึงสิบสี่บ้านขนาดเท่าเมืองอนุราทบุรีอนุราทบุรีเนี่ยอยู่ในลังกากว้าง โดยรอบไปเนี่ยนะแต่ตัวเมืองเองเนี่ยเฉพาะตัวเมืองเองเนี่ก็หนึ่งโยดหนึ่งโยดเทเท่าไหร่อะสิกิโลนะสิกิโลยังไม่คิดถึงอนณาเขตโดยรอบนะเพราะฉะนั้นหมู่บ้านธาตุสิบ้านเนี่ยกว้างขวางมากมีกองช้าง14กองกองม้า14กองกองรถอีก14กองคือกองใหญ่ๆทั้งนั้นเลยแล้วนางพัฒกาปีลาณีมีทรัพย์เท่าไหร่ เขาเท่าๆกันก็ปดสิบเจ็ดเหมือนกันแปดสิบเจ็ดโกดแล้วก็มีทรัพย์สมบัติเหมือนเอนกันอีกนั่นแหละดีกว่าเศรษฐีเจอเศรษฐีนะบุญหล่นทับกัน <c oughs> วันหนึ่งปิดพริมานพต้องไปตรวจดูงานแล้วบริหารงานก็ขึ้นมา้าที่ประดับตกแต่งแล้วแวดล้อมด้วยบริวารไปยังที่ทำงานทำอะไรก็ทำนายืนอยู่ปลายนาเห็นพวกนก มีกาเป็นต้นคุยเขียสัตว์จิกกินไส้เดือนจากรอยไถที่เขาไถเอามากินจึงถามว่าพ่อทั้งหลายสัตว์เหล่านี้กินอะไรนกกาเหล่านี้กินอะไรบริวารก็ตอบว่านายท่านมันกินไส้เดือนปิดพริมาณพถามว่าบาปที่สัตว์เหล่านี้ทาเป็นของใครไอกามาจิกกินไส้เดือนเนี่ยมันทาบาป ฆ่าสัตว์มันบาปนี้จะเป็นของใครพวกมหาชนตอบว่ายังไงบริวาณ น, นายท่านบาปเป็นของท่านทุ่มบาปเป็นของคนเป็นของเจ้าของนานะอันนี้ก็จริงๆก็คงไม่เป็นอย่างนั้นหรอกเพราะว่านกมันก็กินมันอนะ่ะมันก็บาปของมันสิแต่เนื่องจากว่าอินทรีย์จะบริบูรณนะ์จะได้ออกบวชฟังคาเขาแล้วเนี่ย ไอ้นั่นมันก็เข้าใจตอบซะด้วยเนี่ยบาปทั้งหมดเนี่ยเป็นของเจ้านายเพราะว่าเจ้านายเป็นเจ้าของนาตายแล้วนกมากินวันละห้าร้อยตัวเนี่ยเราไม่บาปห้าร้อยบาปเลยเนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยบาปของเราในการที่เป็นเจ้าของทรัพย์เหล่านี้อยู่ก็มันก็จริงเหมือนกันแนวะคิดให้ถู ก, ถ, กถูกนะนะคือเรามีทรัพย์สมบัติเนี่ยไอ้คนมันมาทําชั่วเพราะเหตุแห่งทรัพย์สมบัติของเราเนี่ยจะต้องมี จะต้องมาทะเละาะเบาะแวง่งแย่งชิงทรัพย์สมบัติหรือว่ามาทําชั่วอยู่ในที่อยู่ของเราในทรัพย์สมบัติของเราเนี่ยในพื้นดินของเราหรือในบริวานของเราเนี่ยมันต้องมีเช่นมันเลี้ยงมา้ามันก็ต้องตีมา้าใช่ไหมขโมยของม้ากินบ้างก็ได้เลี้ยงช้างก็เรียกว่ากินขี้ช้างกันนี่ยนะคือให้เขาเขาให้จ่ายค่าเลี้ยงช้างเท่านี้มันก็กิน ของตัวเองซะบ้างเลี้ยงคนเลี้ยงบ้างอะไรอย่างนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยสมบัติของเราเนี่ยก็คือบาปของเรานั่นเองอคิดแบบมานพ์นนะปิปพริมาน์คิดว่าถ้าบาปที่สัตว์เหล่านี้กระทำตกเป็นของเราแล้วไซรับสมบัติแปดบเกตแปดสบเจ็ดโกดจมีประโยชน์อะไรแก่เราการงานในที่ดินตั้งส2สองโยศเหมืองน้ำ ลำน้ำที่ติดเครื่องยนต์หกสิบแห่งหมู่บ้านธาต1สิบสี่แห่งจกมีประโยชน์อะไรแก่เราเราจะมอบทรัพย์สมบัติทั้งบดนี้ให้แกนางพัทธกาพิลานีแล้วออกบวชไหนถ้าใครคิดได้อย่างนี้เนี่ยบวชทุกคนนะรับรองเลยเรื่องอะไรนมารับบาปของคนอื่นไม่ไม่ได้ประโยชน์อะไรเพราะนั้นเราสละเถิดไปบวช ด, ดีกว่าไปทำบุญคนเดียวดีกว่าเอ น, นี้เนี่ยเป็นอย่างนั้นแต่คนทุกวันนี้ไม่ได้คิดอย่างนั้น คิดว่าเรายิ่งมีมากเรายิ่งมีบุญเนี่ยเรามีที่ดินรักห้าหมื่นไร่เนี่ยเรามีบุญมากนะเนี่ยพวกญี่ปุ่นจึงมาซื้อที่ในเมืองเราแทบจะหมดประเทศไทยแล้วเศรษฐีต่างประเทศก็มาซื้อที่กันใหญ่ซื้อกันไปซื้อกันมาใครมีเงินก็จะมาซื้อกันเขาคิดว่าเขามีบุญนะแต่ว่าผู้มีปัญญากับเห็นว่าเป็นเรื่องบาป เรื่องอะไรเราจะไปรับสิ่งเหล่านี้เราจะให้แก่นางพัฒกาปีลานีไปเถอะเป็นอย่างนั้นแม้ในเวลานั้นเองนางพัฒกาปีลานีก็เหมือนกันออกไปทํางานเหมือนกันได้วานเมล็ดงาสามหม้อลงในระหว่างไร่ให้เขาหวานไม่ใช่วานเองพวกแม่นมที่นั่งห้อมล้อมอยู่ก็เห็นพวกกากินสัตว์ในเมล็ดงาพวกกามาจิกกินอีก นางก็เลยถามว่าสัตว์เหล่านี้กินอะไรพวกแม่นมบอกว่ามันมาจิกกินสัตว์เนี่ยกามาจิกกินสัตว์นางถามว่าบาปจะเป็นของใครพวกแม่นมก็ตอบว่าบาปก็เป็นของแม่เจ้า น, ะะน่ะสิจ๊ะเนี่ยเป็นอย่างนั้นเข้าซะอีกเออะทำไมมันแยอย่างนี้นะนางคิดว่าเราได้ผ้าสี่สอก และข้าวสุกประมาณหนึ่งทนานก็พอแล้วคือบวชตนเองได้พายาวสักสี่สอกพอพันกายได้ได้ข้าวสุกที่จะอิ่มชีวิตไปได้ก็ดีก็พอใจแล้วก็ถ้าบาปอันมีอันชนมีประมาณเท่านี้กระทาจะต้องเป็นสมบัติของเราบาปนี้เป็นของเราด้วยเราก็ไม่อาจจะยกศรีรษะขึ้นจากวัฏฏสงสารตั้งพันพบ คือเราต้องตกนรกแน่ยังไงก็ต้องตกนรกแน่บาปมันมากเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะไม่สามารถทำให้ชีวิตเราพ้นจากวัฏสงสารคือการเวียนอยู่ในอบายภูมิในตั้งพันชาติโดยแท้เลยเพราะนั้นนางสังเวชใจเมื่อนางก็คิดต่อว่าเมื่อปิพริมานพมาถึงแล้วเราจะมอบทรัพย์สมบัติทั้งหมดให้แก่ลูกเจ้านั้นแล้วออกบวชคือคิดตรงกันหมดเลย มานบปิดภริมาถึงบ้านแล้วก็อาบน้ำขึ้นบนปร า, าสาทนั่งบนแท่นอันควรอันมีค่ามากครั้งนั้นพวกพ่อครัวก็จัดแจงอาหารอันเสมอด้วยแก่พระเจ้าจั ก, กรพรรดิอาหารอย่างดีเยี่ยมเลยอาหารก็คงจะมีราคาแพงด้วยนะใส่ถาดทองคำมาให้ คนทั้งสองบริโภคแล้วเมื่อบริวารออกไปแล้วก็ไปนั่งในที่รับตาคนที่ที่มีความผาสุขลำดับนั้นปิภริมานพก็กล่าวกับนางพัฒนาว่าแม่พัฒนาเธอเมื่อจะมาบ้านนี้นำเอาทรัพย์มาเท่าไหร่นางพัฒนาตอบว่าพ่อเจ้านาทรัพย์มาห้าหมื่นห้าพันเล่มเกวียน <c oughs> ในคนรวยๆสมัยนี้นี่จะมีสักเท่าไหร่นะเวลาแต่งงานแล้วย้ายทรัพย์สมบัติมาเนี่ยมานพปิปริกล่าวว่าทรัพย์ทั้งหมดนั่นที่ท่านที่เธอนำมากับทรัพย์แปดสิบเจ็ดโกดในบ้านนี้และสมบัติต่างๆเช่นลำเหมืองน้ำหกสิบเหมืองที่ติดเครื่องยนต์ดีแล้วทั้งหมดเราขอบอบให้แก่เธอเท่านั้น มอบให้เลยนะไม่ได้เสียดายเลยว่าโอทรัพย์นี้เป็นของบิดาบาดดาเราควรจะรักษาไว้นะเราจะอดตายแล้วมั้งเนี่ยถ้าเราให้เธอไปเนี่ยนางพัฒากล่าวตอบว่าพ่อเจ้าก็ตัวท่านเราจะไปไหนปิพริมาณนบตอบว่าเราจักบวชนางพัฒา แม้เราก็นั่งคอยการมาของท่านอยู่อขออภัยนางพัฒนาก็ตอบบ้างว่าแม้เราก็นั่งคอยการมาของท่านอยู่แม้เราก็จักบวชเช่นกันนางพัฒนาก็ตอบอย่างนั้นนะพบทั้งสามคือการมาพบรูปประพบะรูปประพบพบก็คือการเกิดการเกิดแล้วก็อยู่ด้วยในการมรพบสิบเอ็ดภูมิ เรานี่ก็อยู่ในกามบมาภพนะอยู่ตรงกลางกลางรูปภพอารูปภพนี่ก็ชั้นสูงภพทั้งสามปรากฏแก่คนทั้งสองนั่นเหมือนกุฏิใบไม้ที่ถูกไฟไหม้เชนั้นอยู่ที่ไหนก็ไม่พ้นแล้วซึ่งความทุกข์แห่งความแก่ความตายเห็นอย่างนั้นจริงจริงเราไม่ควรอยู่แล้วในภพเนี่ยไม่ควรมีแล้วชีวิตกายใจซึ่งเต็มไปด้วยทุกข์อย่างนี้คนทั้งสองนั้น ก็ให้คนใช้นำผ้ากาสายะและบาทดินมาจากตลาดต่างปรมผมให้กันและกันวันนี้วันโกนด้วยนะคือโกนศรีรษะให้กันและกันเล ย, เลยแล้วกล่าวว่าการบวชของเราทั้งสองอุทิศพระอรหันในโลกบวชเพื่อบูชาให้แก่พระอรหันผู้สิ้นกิเลสในโลกนี้นะเป็นอย่างเป็น เป็นการที่เขาออกบวช ด, ด้วยเจตนาอย่างนั้นนะแล้วสอดบาทลงในถุงคล้องที่ไหลเดินลงจากปราสาทบรรดาทาตหรือกรรมกรในบ้านจำไม่ได้สักคนเดียวบวชอุทิศพระหัต์อุทิศความสิ้นกิเลสเพื่อจะให้พ้นไปจากวัฏสงสารครั้งนั้นเดินผ่านมาทางหมู่บ้านทาตก็มีสิบสี่แห่งนะ ก็เกิดมีทาตจำคนทั้งสองซึ่งออกจากบ้านพรามกำลังเดินไปทางประตูบ้านทาตได้ด้วยอากับกิริยาท่าทางลักษณะนะซึ่งถึงแม้จะจำะบางส่วนไม่ได้นแต่ลักษณะท่าทางก็ยังพอจำได้ก็รู้ว่าเป็นเจ้านายของตนชนเหล่านั้นก็ร้องไห้หมอบลงที่เท้าแล้วกล่าวว่านายท่าน ท่านจะทำให้พวกข้าพเจ้าไร้ที่พึ่งหรือคือเขาเป็นทาสน่ะนะเป็นหญิงชายที่เป็นทาสเขาต้องมีเจ้ามีนายคอยดูแลคอยเป็นที่พึ่งพวกนี้ก็กลัวจะไม่มีที่พึ่งก็มากราบที่เท้าร้องไห้คนทั้งสองจึงกล่าวว่าแน่พวกท่านทั้งหลายเราทั้งหลายเห็นว่าพบทั้งสามเหมือนบรรณาศาลาถูกไฟไหม้จึงได้บวช เขาคิดยังไงเขาพูดอย่างนั้นนะเขาไม่ได้มามีการเสีแสงอะไรถ้าเราจะกระทาบรรดาพวกท่านคนหนึ่งคนหนึ่งให้เป็นอิสระตั้งร้อยปีก็ไม่พอเพราะว่าเยอะมากพวกท่านเท่านั้นจงล้างศรีรษะของท่านให้เป็นไทยเป็นอิสระแล้วเลี้ยงชีวิตอยู่เองเถิดไม่บอกแล้วไม่ต้องไปบอกว่าจงเป็นอิสระเลยไปล้างศรีรษะเอาเอง ทำตัวเองให้เป็นอิสระเมื่อชาวบ้านธาตเหล่านั้นค่ำครวญอยู่นั่นแหละก็พากันหลีกไปเขายังร้องไห้อยู่ก็ไม่ใ ย, ยดีแล้วขืนมยาใยดีอยู่ก็ตายอยู่ในกองไฟแห่งความเกิดแก่ตายนี่นะไม่อยู่แล้วไปเถอะอย่างเราเนี่คงจะไปยากนะเพราะว่าแหมบริวารทังเยอะแยะเออสงสารเขานะเดี๋ยวเขาจะช่วยตัวเองไม่ได้ก็ต้องอยู่กับเขาก่อนเป็นอย่างนั้นชอบเป็นเจ้าเป็นนายเขา แต่ไม่รู้หรอกว่าไอ้เรามันเป็นาธาตุความเกิดความแก่ความตายนี่มันร้ายแรงกว่าจะต้องพ้นจากความเกิดแก่ตายให้ได้ต้องล้างศรีรษะให้ได้ศรีรษะในที่นี้หมายถึงอวิชชาอาวิชชาคือความไม่รู้ความจริงของของอุปาทานขันห้าที่เป็นทุกข์เป็นต้นเนี่ยเราไม่รู้ว่าเราเป็นทุกข์เนี่ยเราคิดว่าเราเป็นสุข มันต้องล้างความคิดนี้ออกไปความเห็นนี้ออกไปเสียพระมหากัสปะเถระต้องชื่อว่าพระเถระแล้วพระบวชแล้วเดิน